มันไม่มีความทุกข์อันหดมันเป็นเฉยๆอยู่อย่างนั้นอันนั้นเป็นตัชีวิตของเราชีวิตนั้นคือมีลมหายใจเมดลมหายใจสอว่าตายอย่านัอันนี้เรื่องชีวิตนรเรื่องจิตเรื่องใจแบดนี้ครับเรื่องจิตเรื่องใจนั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยอารมณ์ที่มีโมหะที่มีโทสะที่มีโลภะอันนั้นเรียกว่าจิตใจเศร้าหมองผมเห็นอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้จิตใจเศร้าหมองใจิตใจเป็นทุกข์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 สิ่งใดที่มันจะเป็นพิษแก่ตัวเราหรือเนื้อหนังเราเราไม่ต้องไปเอามานุ่งไม่ต้องไปเอามาถือเนื้ออาหารกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นพิษแก่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องกินถึงมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องอดได้ทนได้เนื่อผมเขา้าใจอย่างนี้เมื่อเขา้าใจอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมาครับมันปรากฏขึ้นมาจริงๆเนื่อมันปรากฏนั่นก็มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจ